พระสุตตันตปิฎกขุทธกนิกายชาดกภาคสองเล่มสามขอนนบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมหานิบาตแปดมหานารทกัสปะชาดกว่าด้วยพระมหานารทกัสปะบำเพ็ญอุเบกขาบารมี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 ผู้ที่ทรงเคยรู้จักทั้งอามาตผู้ใหญ่อีกสามนายคือวิชยะอามาตสุนามะอามาตและอลาตะเสนาบดีแล้วตรัสถามอามาตตามลำดับว่าท่านทั้งหลายจงกล่าวไปตามความพอใจของตนของตนว่าในวันเพ็ญเดือนสบสองเช่นนี้แล้วแสงจันเดือนหงายแจ่มกระจ่างกลางคืนวันนี้ เราทั้งหลายพึงยังฤดูเช่นนี้ให้เป็นไปด้วยความยินดีอะไรลำดับนั้นอลาตะเสนาบดีได้กราบทูลแด่พระราชาว่าขอเดชะข้าพระองค์ทั้งหลายพึงจัดพลช้างพลมา้าพลเสนาผู้กําลังร่าเริงจะนําชายชกันออกรบพวกใดยังไม่มาสู่อํานาจข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะนํามาสู่อํานาจ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 ต่างพากันวางศัตรายอมสวามิพักแล้วทั้งหมดวันนี้เป็นวันมหารสพบสนุกสนานยิ่งข้าพระองค์ไม่ชอบใจการรบชนทั้งหลายจงรีบนําข้าวน้ำและของควรเคี้ยวมาเพื่อพระองค์เถิดขอเดชะขอพระองค์จงทรงรื่นรมด้วยกามาคุณและการฟ้อนราขับร้องการประโคมเถิดพระเจ้าข้า วิชยะอมาตได้ฟังคำของสุนามะอมาตแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชากามคุณทุกอย่างบำเรอพระองค์อยู่เป็นนิดแล้วการทรงเพลิดเพลินด้วยกามคุณทั้งหลายพระองค์ทรงหาได้โดยไม่ยากเลยทรงปรารถนาก็ได้ทุกเมื่อการรื่นรมด้วยกามคุณทั้งหลายนี้ไม่ใช่เป็นความคิดของข้าพระองค์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 อาลาตเสนาบดีได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชแล้วได้กราบทูลว่ามีอเจละกะที่โลกสมมุติว่าเป็นนักปราชอยู่ในมรึคทัยวรรอเจละกะผู้นี้ชื่อว่าคุณะผู้กัสปะโคตเป็นพหูสูตรผู้จาไพาระเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะขอเดชะเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่าน ท่านจักกำจัดความสงสัยของเราทั้งหลายได้พระราชาทรงสดับคำของอาลาตะเสนาบดีแล้วได้ตรัสสั่งสารถีว่าเราจะไปยังมรุกขทายวันท่านจงนำยานเทียมมามาที่นี่พวกนายสารถีได้จัดพระราชยานอันล้วนแล้วไปด้วยงามีกระพองรถเป็นเงินและมีเครื่องบริวารขาวเกลี้ยงกลาวผุดพอง ดังพระจันทร์ในราตรีที่ปราศจากมนทินโทษมาถวายแด่พระราชารถนั้นเทียมด้วยม้าสินทบสี่ตัวล้วนมีสีดังสีดอกโกมุตเป็นม้ามีฝีเท้าเร็วดังลมพัดฝึกไว้ดีแล้วประดับด้วยดอกไม้ทองสเสวตฉัดราชรถมา้าและวีชนีล้วนมีสีขาว พระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยหมู่อมาตสเด็จออกย่อมงดงามดังพระจันทร์หมู่พลราชบริพารผู้กล้าหาญขี่บนหลังมา้าถือหอกดาบตามเสด็จพระผู้เป็นใหญ่ผู้ประเสริฐกวานรชนพระเจ้าวิเทหราชมหากษัตริย์พระองค์นั้นเสด็จถึงมฤุทายวันโดยครู่เดียวเสด็จลงจากราชยานแล้ว ทรงดำเนินเข้าไปหาคุณาชีวะกะพร้อมด้วยหมู่อมมาตในการนั้นมีพรามและคฤรหบดีมาประชุมกันอยู่ในพระราชอุทยานนั้นพระราชาไม่ได้ให้พรามและคฤรหบดีเหล่านั้นผู้นั่งอยู่ที่ภาคพื้นซึ่งไม่ได้เว้นที่ไว้ต้องลุกหนีไปลำดับนั้นพระราชาเสด็จเข้าไปประทับนั่งเหนืออาสนะ มีสันธารอันวิจิตสัมผัสสบายอันปูลาดด้วยพระยี่ผู้อันอ่อนนุ่มณนะส่วนข้างหนึ่งแต่นั้นได้ทรงปราศัยไต่าถามทุกสุขว่าผู้เป็นเจ้าสบายดีอยู่หรือลมมิได้กำเริบเสียแทงหรือผู้เป็นเจ้าเลี้ยงชีวิตโดยไม่ฝืดเคืองหรือได้บินทบาดพอเยียวยาชีวิตให้เป็นไปอยู่หรือ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 ทางม้าของพระองค์หาโรคมิได้หรือพาหณะยังพอเป็นไปแลหรือพยาธไม่มีมาเบียดเบียนพระสรีระของพระองค์แลหรือเมื่อคุณาชีวะกะทูนปราศัยแล้วทันทีนั้นพระราชาผู้เป็นจอมทัพทรงใครรทำได้ตรัสถามอัตธรรมและเหตุว่าท่านกษัะ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 ละโลกนี้ไปแล้วจึงไปสู่สุขติส่วนคนบางพวกผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมฉะไหนจึงตกลงไปในนรกเตื้องต่ำคุณาชีวะกะกัสปะโครได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชาขอพระองค์ทรงสดับทางที่จริงแท้ของข้าพระองค์ ผลแห่งธรรมที่ประพฤติแล้วเป็นบุญเป็นบาปไม่มีขอเดชะประโลกไม่มีใครเล่าจากประโลกนั้นมาในโลกนี้ปู่ย่าตายายไม่มีมารดาบิดาจากมีที่ไหนขึ้นชื่อว่าอาจารย์ไม่มีใครจับฝึกผู้ที่ฝึกไม่ได้สัตว์เสมอกันหมดผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญไม่มี กำลังหรือความเพียรไม่มีบุรุษผู้มีความหมั่นจะได้รับผลแต่ที่ไหนสัตว์เกิดตามกันมาเหมือนเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่สัตย่อมได้สิ่งที่ควรได้ในข้อนั้นผลทานจะมีแต่ที่ไหนผลทานไม่มีความเพียรไม่มีอํานาจทานคนโง่บัญญัติไว้คนฉลาดรับทานคนโง่สําคัญตัวว่าฉลาด เป็นผู้ไม่มีอำนาจย่อมให้ทานแก่นักปราชญ์ทั้งหลายรูปกายอันเป็นที่รวมดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวิตเจ็ดประการนี้เป็นของเที่ยงไม่ขาดศูนย์ไม่กำเริบรูปกายเจประการนี้ของสัตว์เหล่าใดชื่อว่าขาดไม่มีผู้ที่ถูกข่าหรือถูกตัด หรือใครๆผู้เบียดเบียนย่อมไม่มีสาตราทั้งหลายพึงผ่านไปในระหว่างรู ป, ปกายเจ็ดประการนี้ผู้ใดตัดศีรษะของผู้อื่นด้วยดาบอันคมผู้นั้นไม่ชื่อว่าตัดร่างกายเหล่านั้นในการทำเช่นนั้นผลบาปจะมีแต่ที่ไหนสัตว์ทุกจำพวกท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารแปสิบสีมหากับย่อมบริสุทธิ์ได้เอง เมื่อยังไม่ถึงการนั้นแม้จะสำรวมด้วยดีก็บริสุทธิ์ไม่ได้เมื่อยังไม่ถึงการนั้นแม้จะประพฤติความดีมากมายก็บริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าแม้กระทําบาปมากมายก็ไม่ล่วงขณะนั้นไปในวาทะของเราทั้งหลายความบริสุทธิ์ย่อมมีได้โดยลําดับเมื่อถึง84บกับพวกเราไม่ล่วงเลยเขตอันแน่นอนนั้น เหมือนคลื่นไม่ล่วงเลยฝั่งไปฉะนั้นอลาตะเสนาบดีได้ฟังคําของคุณาชีวะกะกัสปะโคทแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าท่านผู้เจริญกล่าวโดยประการใดคํานั้นข้าพเจ้าชอบใจโดยประการนั้นแม้ข้าพเจ้าก็ระลึกชาติวหนหลังที่ท่องเที่ยวไปของตนได้ชาติหนึ่งคือในชาติก่กน ข้าพเจ้าเกิดในเมืองพาราณสีอันเป็นเมืองมั่งคั่งเป็นนายพรานข่าโคชื่อปิงคละข้าพเจ้าได้ทำบาปกรรมไว้มากได้ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตคือกระบือสุกรแพะเป็นอันมากข้าพเจ้าจุติจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริบูรณ์นี้บาปไม่มีผลแน่ข้าพเจ้าจึงไม่ต้องไปนรก รังนั้นในมิถิลานครนี้มีคนเข็นใจเป็นทาตเขาผู้หนึ่งชื่อวีชะกะรักษาอุโบสถศีลได้เข้าไปยังสำนักของคุณาชีวกะได้ฟังคำของกัสปะคุณาชีวกะและอลาตะเสนาบดีกล่าวกันอยู่ถอนหายใจหึดฮัดร้องไห้น้ำตาไหลพระเจ้าวิเทหราชได้ตรัสถามนายวีชะกะนั้นว่า สหายเอ๋ยเจ้าร้องไห้ทำไมเจ้าได้ฟังได้เห็นอะไรมาหรือเจ้าได้รับทุกขเวทนาอะไรจงบอกให้เราทราบนายวีชกะได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชแล้วได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่มีทุกขเวทนาเลยข้าแต่พระมหาราชาขอได้ทรงพระกรุณาฟังข้าพระองค์ แม้ข้าพระองค์ก็ระลึกถึงความสุขสบายของตนในชาติก่อนได้คือในชาติก่อนข้าพระองค์เกิดเป็นภาวะเศรษฐียินดีในคุณธรรมอยู่ในเมืองสาเกตข้าพระองค์นั้นอบรมตนดีแล้วยินดีในการบริจาคทานแก่พรามและคฤริบดีทั้งหลายมีการงานอันสะอาดข้าพระองค์ระลึกถึงบาปกรรมที่ตนกระทาแล้วไม่ได้เลย ข้าแต่พระเจ้าวิเทหราชข้าพระองค์จุติจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในคันของนางกุมภ์พระธาสีหญิงขัดสนในมิถิลามหานครนี้ตั้งแต่เวลาที่เกิดแล้วข้าพระองค์ก็ยากจนเรื่อยมาแม้ข้าพระองค์จะเป็นคนยากจนอย่างนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ในความประพฤติชอบได้ให้อาหารกึ่งหนึ่งแก่คนที่ปรารถนา ได้รักษาอุโบสถศีลในวัน14่ค่ำ15ห้าค่ำทุกเมื่อไม่ได้เบียดเบียนสัตว์และไม่ได้ลักทรัพย์เลยกรรมทั้งปวงที่ข้าพระองค์ประพฤติดีแล้วนั้นไร้ผลเป็นแน่ศีลนี้เห็นจะไร้ประโยชน์เหมือนอลาตะเสนาบดีกล่าวข้าพระองค์กรรมเอาแต่ความปลาชัยไว้เหมือนนักเลงผู้ไม่มีศีลฉะนั้นเป็นแน่ ส่วนอลาตะเสนาบดีย่อรรมคำเอาแต่ชัยชนะไว้ดังนักเลงผู้ชำนาญการพนันชนะข้าพระองค์ไม่เห็นประตูอันเป็นเหตุไปสู่สุขติเลยข้าแต่พระมหาราชาเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ได้ฟังคำของกัสปะคุณาชีวะกะแล้วจึงร้องไห้พระเจ้าอังคติราชทรงสดับคำของนายวีชกะแล้วได้ตรัสว่า ประตูสุขติไม่มียังสงสัยความแน่นอนอยู่อีกหรือวิชกะได้ยินว่าสุขหรือทุกข์สัตว์ย่อมได้เองแน่นอนสัตว์ทั้งปวงหมดจดได้ด้วยการเวียนเกิดเวียนตายเมื่อยังไม่ถึงเวลาอย่ารีบด่วนไปเลยเมื่อก่อนแม้เราก็เป็นผู้กระทําความดีควนขวายในพรามและคฤหบดีทั้งหลายอนุสาต ร, ราชกิจอยู่เนืองเนือง งดเว้นจากความยินดีในการมคุณตลอดการประมานเท่านี้ท่านผู้เจริญเราทั้งหลายจะได้พบกันอีกถ้าเราทั้งหลายจากมีการสมาคมกันเมื่อผลบุญไม่มีจะมีประโยชน์อะไรด้วยการพบท่านพระเจ้าวิเทหราชครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วก็เสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศของพระองค์ตั้งแต่รุ่งสว่าง พระเจ้าอังคติราชรับสั่งให้ประชุมเหล่าอามาตในที่ประทับสํำราญแล้วตรัสว่าจงจัดการมาคุณทั้งหลายเพื่อเราไว้ในจันทกะวิมานของเราทุกเมื่อเมื่อข้อราชการลับและเปิดเผยเกิดขึ้นใครๆอย่าเข้ามาหาเราอามาตผู้ฉลาดในราชกิจสารนายคือวิเชยะอามาตสุนามะอามาตและอลาตะเสนาบดี จงนั่งพิจารณาข้อราชการเหล่านั้นพระเจ้าวิเทหราชครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงใส่ใจการมคุณให้มากไม่ต้องขวนขวายในพรามณ์รฤหบดีและกิจการอะไรเลย